Book 2 <34 S> 3สา4สิบสี่ตนซบนรถไฟนาลาคูนั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับยเยตูฟลาค์ดเบอร์ลินะรถไฟออกเมื่อไหร่ครับ รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่ครั บ, รบรขอโทษครับผมขอผ่านหน่อยได้ไหมครั บ, บรมมมผมคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผมครับ ผมคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผมครับม i สลิมด d e ดิตันออมย์เ e s t ูตู้นอนอยู่ขบวนไหนครับ k คย์ ย, ยส์ส p a l n i k ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ s p a ลน k กยานาคอนซูวลา a และรถสเสบียงอยู่ขบวนไหนครับขบวนหน้าครับ เพ่อพยายามดีลนิส์นัชเชตคผมขอนอนข้างล่างได้ไหมครับอลิลล์โคสพิมสปอดผมขอนอนตรงกลางได้ไหมครับอลิลล์โคสพิสระดีนีผมขอนอนข้างบนได้ไหมครับอลิลล์โคสพิมสกอร์ได้ เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่กไดโบโบนาเมยไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ k a k o โดโกทริอาวอร์เนเดอร์เบอร์ลิรถไฟจะเข้าช้าไหมครับอิมาวลา z a m ม d o คุณมีอะไรอ่านไหมครับ อิมาเทคายซาบรัตที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมครับเซ lah โค tu k a ย do บีคายซาเยสตีอินซาพิตคุณช่วยปลุกผมตอนเจ็ดโมงได้ไหมครับเมสบูดีเตโ Pro รซิมอปเซดมิ